ขอเจริญพรท่านประธานสามัญพรคดีเฉพาะพิเศษท่านคุยัาษาประการตุราการแล้วก็สาธุชนทุกท่านอาตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากาที่ได้รับมิลให้มาบรรยา ย, ยาที่นี่อาเจยดังกล่าวเนี่ยอาตมาก็จะไม่ได้รับนะถ้ า, าไม่ได้อ่า การติดต่อประสานงานนะจากท่านวิเชียนซึ่งเป็นเพื่อนที่ร่วมโรงเรียนนะร่วมชั้นเรียนมาเป็นเวลานาถ50ปีรู้จะกันมาตึ้งศตวรรษแรความสัมพันธ์ยาว น, นานเนี่ยก็เป็นเห็นให้สามาได้รับเกียรติทานนี้นะ กับท่านแล้วก็กับทุกท่านในที่นี้เราจมาขอเรื่องการบรรยายหัยวข้อในการบรรยายวันนี้เนี่ยชื่อเรื่องความสุขในกางธรรมดาจะขอเริ่มต้นที่คําว่าความสุขก่อนความสุขเนี่ยมันเป็นยอดปรารถนาของทุกท่านความสุขเนี่ยมันมสองประเภท ความสุขเภทแรกเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการเสร็จการบริโภคเช่นได้กินอาหารที่อร่อยได้ทานเบเกิลราะได้ไปสถานที่ที่สวยงามการตาได้ไปเจอประสบการณ์แปใหม่รวมทั้งการที่สมัยนี้เนี่ยในโออนไลน์เราก็จะเจออะไรต่อไที่ ทำให้เกิดความพอใจความสุขชนิดนี้รวมไปถึงการที่เราได้การที่เราครอบครองเช่นไดเงินได้ชงได้บ้าอันนี้คือความสุขประเภทแรกที่ทุกคนจับดีเป็นความสุขที่ได้มาเร็วได้โบก็สุขปังเลยความสุขประเภทหนึ่งเนี่ย คือความสุขที่เกิดการกา ร, ระทาเช่นสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อเกื้อเื่อนอื่นสุขที่ได้ทำความดีสุขที่ได้ทำสิ่งยากให้สำเร็จหลายท่านเนี่ยอาจจะเิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งยากถ้าเป็นนักเรียนได้ทำการบ้านที่ยากให้สาเร็จเราเกิดความภาคภูมิใจ เมืต่ตขึ้นเราได้ทา ง, งา น, นที่ยากอุตสาหรากรรมปกปัําแม้ว่าจะเหนื่อยในทีแรกแต่ว่าพอสํอเร็จก็มีความสุขความสุขจากการที่ได้ทาสิ่งที่หน้าท่าผูกใจความสุขชนิดนี้เนี่ยแม้ว่าจะได้ไม่ยาแต่ว่าย่งยืนกว่า หมายความว่าเวลาผ่านไปเราลึกถึงทีไรเราก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจขณะที่ความสุขประเภทแรกเนี่ยได้มาเร็วว่ากิแต่ก็หายไปเร็วนะอาหารที่อร่อยกินพวกก็อร่อยปันะ๊บนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนหนึ่งปีเราก็จะลืมไปแล้วนึกถึงมันก็ไม่ให้คุด แม้ทำให้เกความสุ้สึกอพอใจถ้ามาทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสุดท้ายมาเป็นเวลาสิกวปีที่ตีมายนำนั้นนะเมือม่อเมื่อเทียบว่าฐานะความเป็นระเนียเราต้องช่วยเหลือคนที่ตกในยากที่พ่อคนที่ททป่วยคนใกล้ตายคนที่ใกล้ตายหลายคนเนี่ย พอก็ได้นึกถึงว่าชีวิตที่ผ่านมาก็ได้ทำอะไรสิ่งที่ภาคภูมิใจเขากกจะรู้สึกเกิดความปรลืร้มและความระลึกนึกถึงแบบนี้ก็ช่วยเขาตายสนุกอาตมาไม่เคยพบนะคนป่วยใกล้าตายที่ระลึกนึกถึงว่าตัวเองมีอะไรตัวเองได้อะไร แล้วตายสมุูหลายคนเนี่ยไม่นึกถึงลนะว่าเขาเคยมีเงินกี่สิบลา้านเขามีรถกี่คันตอนนี้เ็าจะตายเนี่ยน้อยคนที่จะนึกถึงสิบหล้านี้แต่ก็จะมีแต่นึกถึงว่าชีวิตที่ผ่านมาได้ทำอะไรที่ภาคภูมิใจได้ทำความดีอย่างไรบ้างแม้ตัครอบครัว กับเพื่อนร่วม ง, งานกรับประเทศชาติกัะศาสนาน่าจะมีความเจ็บความปวดแต่พอได้ทึดถึงความดีที่ได้ทำกรากระกําที่ภาคภูใจเขาปรับรื่อและสิ่งเหล่านี้เป็นสะพานที่นำให้เขาตาสมุูไม่มีใครเลยนะหน้ที่ตอนจะใกล้าตายมีความสุขเพราะได้ึกถึงว่าเขามีอะไรบนาะ ก็มีทรัพสินอะไรคนระับพอถึงตอนนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรคนนะอันนี้มันแสดงว่าความสุขจากการที่ได้ความสิ่งมีสิ่งที่น่าพ้ากใจเนี่ยมันสำคัญและมีความยังดียิ่งตอนจะใกล้ต า, ตายเนี่ยเราลึกๆถึงก็ทำให้เกิดความสุขมีภาสิทธนะ์ของพุทธเจ้ า, จากล่าวไว้ว่า บุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นถี่บุญในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการทา บ, บุญต่พระไม่ได้หมายถึงการถอยสัตว์ทานทอดผาป่าอย่างเดียวจะรวมการทำความดนะีความตายเนี่ยเป็นสิ่ที่น้าทรมานแต่ว่าพอ ถ, าถึงความดีที่ได้ทำจิตใจก็มีเกินปิติเพราะว่าฉันน่้จะชอบความสุข คุณเจ้าต่าว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเาสิ้นชีวิตแต่ถึงแม้ยังยังไม่สิ้นชีวิตยังปกติยังไม่เจ็บไม่ป่วยเวลาเรารู้ถึงความดีที่เราได้ทำและดีเนี่ยมันก็ทําให้เเกิดกเกิดความปรับเครื่องเกิดความผิดอันนี้จิงเป็นเหตุผลที่ทำมาบอกว่าความสุขจากการทำเนี่ยมันมีความยั่งยืนกว่า ในขณาที่ความสุขจากการเสร็จการบริโภคการได้สุขเร็วจริงแต่ว่าหายเ็วแล้วก็ไม่ช่วยอะไรให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นเลยเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราเจอประสบความทุกข์ยากเท่นปวดใกล้ตายให้ความสุขจากการทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มีความสําคัญมากต่อชีวิตของเราซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยได้ตระหนักตท่รคนส่วนใหญ่เนี่ยเลิกถึงแต่ว่าความสุขในชีวิตที่มีแค่อย่างเดียวคือความสุจากการมีการได้แต่สรัพยสมบัติได้เสศษของอร่อยมีบ้านหลังใหญ่มีรถหล้ยคัอยนอาจจะลบถึงการมีสิทธิประโยชนา ม, มาทำก็ได้เช่นได้เพื่ได้ตำแหน่ แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ได้หล่อเลี้ยงคิดเราเให้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะย่นี้เนี่ยคนจะนวนเล็น้อยเนี่ยทั้งนั้นที่มีเงินเยอะมีสิ่งเสพบริโภคล่ามากมายแต่เขาหาความสุขไม่เจอสุขกายมีแต่สุขใจเนี่ยครามหาแท้ไม่ได้ พเพราความรู้จักความสุขประเภทที่สองความสุขจากการทําและความสุขจากการทําเช่นหนึ่งที่สําคัญคือความสุขจากการทํางานการทํานี่มันมีหลายอย่างนะช่วยเหลือเกือ้อหนุนผู้อื่นนะหรือว่าทําบุญให้ทานหรือแม้กระทั่งการทําสมาธิก็เป็นการทําแต่ว่าที่สําคัญไม่น้อยเนะี่ยคือความสุข จากการทำงานหรือความสุขในการทำงานไม่ว่าเราจะทำงานอะไรนะเราไม่ได้ใช่เราไมไ่อาศัยแต่วิชาวความรู้เท่า น, นั้นเราต้องอาศัยยังอด้วยคุณตัณธรรมเจอที่ทำก็สำคัญทำงานอะไรวิชาวความรู้เนี่ยเราต้องใช้ คุณธรรมจริยธรรมก็ต้องมีแต่ถ้า น, นไม่พอนะฮะต้องมีความสุขด้วยเพราะความสุขเนี่ยจะช่วยทำให้เราทำงานได้ยั่งยืนความสุขจะช่วยทำให้เรารักษาคุณธรรมจริยธรรมได้หลายคนพยายามที่จะรักษาความซื่อสัตย์จริงเอาไว้นะ และจะมีสิ่งรอดรอดยอดยวนให้ให้ใหทุกเตริขอก็ไม่ทําแต่เขาไม่มีความสุขหลายคนนะพอเห็นเนี่ยตัวเองเนี่ยมีเงินมากตัวหนึ่งเพื่อร่วมงานเพื่อร่งงอรวมรุ่นหลายคนรวย เ, ยเป็นเศรษฐีแม้บางคนรับราชการแต่ก็มีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคัน แต่ตัวเองเนี่ยรักษาความซื่อสัตสุจเิตเอาไว้มีความเชื่อตรมั่นคงในวิชาการแต่ว่าไม่ร่ำรวยแต่ยจะทุกข์และทำให้ในที่สุดก็อาจจะ่ายแพ้ต่อกิเลสแา้แพ้ต่อสิ่งรอรเราเยอะด่วยอยากจะเวอรคนอื่นอยากจะมีความสุขจากการเร็จเหมือ น, เ, นเพื่อน แล่นก็ทําให้ไม้สามารถจะรักษาความสื่อสัตย์สุจริตรักษาคุณธรรมหรือแม้ระทั่รักษาความความชื่นชมในวิชาชีพได้เพราะอะไรฮนะเพราะเขาไม่มีความสุขกับการทํางนานเพาาราะสิทธิการทํางนานเป็นความสุขข้างใ น, นถ้าเราทาํำงานมีความสุขแม้เราจะมีเงินเดือนน้อยแม้เราจะมีวัตถุสิ่งเสียให้บ้านคนอื่นบ้านของเราจะเล็ก รถเราของเราจะราคาถูกๆแต่ถ้ามีความสุขภายในเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยไอความสุขทางวัตถุเนี่ยมันจะกลายเป็นรเรื่องเล็กทาไมพระเนี่ยทั้งนั้นที่มีแค่ทบบริการหรือบริการแปอันนี้ว่าทำมาตราตถึงพระปานนะทําไมท่านเนี่ยจึงสามารถที่จะดารงชีวิตอย่างนั้งได้ เราเห็นมาตั้แต่สมัยทุจริตการท่านไทยไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากบริขาดแย้แต่ทำไมท่านสามารถจะดำรงคงประวัติแล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อคนอื่น เ, เ, เพราะอะไรเพราะท่ามีความสุขเป็นความสุขภายในความสุขภายในเนี่ยมันหล่อเลี้ยงชีดหล่อเลี้ยงติดใ จ, จและคนเราก็ามีความสุขภายในหล่อเลี้ยงติดใ จ, จนะ ในความสุขภัณฑ์ภายนอกเนี่ยมันเปการเป็นเรื่องเล็กน้อยภาษาสมัยใหม่ที่เราติดจอยคือมันไม่ค่อยมีความสดำคัญแต่คนส่วนให ญ, ญ่ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีความสุขภายในหาไม่เจอเพราะก็เลยต้องพึ่งพาความสุขจัณฑ์ภายนอกความสุขจัณวัตถุคนเราทุกคนเนี่ยนะนอกจากต้องการอาหารอากาศน้ําดื่ม ปัจจัยสิ่แล้วเนี่ยเราต้องกา ร, าดดว ร, รกาความสุขด้วยปัจจัยสิ่งรอเลี้ยงกายความสุขหลอเลี้ยงใจถ้าคนเราไม่มีความสุขใจนะชีวิตเนี่ยมันการเป็นเรื่องลำบากยากแท้ททำไมบางคนฆ่าตัวตายาทั้งนั้เก็มีทุกอย่างที่เป็นวัตถุเป็นเศรษฐี แต่เขาไม่มีความสุขภายในเพเข้าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นต้นหรือเขากลับกูุ้้มใจหลายคนก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายคนเราเนี่ยคิดมาไม่น่าอยู่ถ้าไม่มีความสุขภายในเป็นเครื่องรลอเลี้ยงขาดอาหารก็ตายขาดน้ําก็ตายขาดอากาศ ก, ก็ตายขาดความสุขก็ตายแต่บางทีไม่ได้ตายเพราะ ร่างกายเรากระท้วงหรือว่ า, วาความทุกข์ความยากับบลงมือทาร้ายตัวเองเพราะ ม, ม่รู้จะอยู่ไปทําไมถ้าไมมีความสุขในงา น, นทงศาง ศ, ศาสนาเนี่แม้ท่านจะพูดเรื่องทุกข์เยอะนะฮะแต่ท่านพูดเรื่องความสุขไม่น้อยเลยพูทธเจ้นีู้เรื่องความสุขเยอะแต่ท่านบอกให้เรารู้จักจำแนกว่าความสุขมันมีหลายชนิด ความสุข wow. ทางวัตถุหรือความสุขจากการเสพถ้าเรียกว่าการมัสุขและการมัสุขเนี่ยบางทีเรียกวาการของคุณแปลว่าอะไรครัว่ามันมีประโยชน์คุณเนี่ยนะต้องมประโยชน์ลูกศาสนามไม่ได้เป็นเสรนะลูกก็่นเสียงที่น่าพอใจที่เรียกว่าการเดี๋ยวมีประโยชน์แต่ว่าเป็นประโยชน์ชั่วคราวและเกี่ยวไปบเรืทุกข์วิจารียบว่าความสุขทางวัตถุหรือความสุขจากการเสพ ที่ทะเลาะการมาสุดเนี่ยเปรียบเหมือนกับคบไฟที่ทําด้วยได้แห้งหรือฟางเวลาจุดแล้วมันให้แสงสว่างมีประโยชน์ในเวลากลางคืนแต่มันเป็นแสงสว่างที่เจือไปด้วยควันทําให้เราคลายเครืองทำให้แสบตา ม, มีประโยชน์แต่ก็เจือไปได้วยโทษและ้ะก็ถือว่านานาเนี่ย ไม่ปล่อยไม่วาง น, นะไฟเนี่ยมันจะไหม้มันจะลามและมันจะลวกมือต้องยืดวางอย่าไปยึดอย่าไปยึดมั่นกับมันมากไม่งั่นจะเป็นทุกข์อันนี้พูดก็คือเป็นอุปมาที่เปรียบว่าความสุขจากการเสร็จหรือการบรรลุเนี่ยมันมีเปรียบก็จริงแต่มันเกอไปปด้ทุกข์สุขชั่วคราวแต่ทุกข์ยาวนาน เราควรเรียนรู้จกความสุขที่เกิดจากภายใคนความสุขใจไม่ได้เสดอะไรมากมายแต่เกิดจากการที่เราได้ทำความดีเป็นต้นนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาดิงปริย้ำว่าในการทำงานเนี่ย เราไม่ได้ต้องการเราไม่ใช่อาศัยแค่วิชาวความรู้เท่านั้นเราไม่เพียงแต่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้นเราต้องมีความสุขและความสุขจะช่วยทาให้การทํางา น, นเราเนี่ยมันตรงกันแบบวิชาการมันไม่ยดีเดี่ยวเรื่อำนาจของหนึ่งตราหรือเรื่องหน้าของอัตติความกลัวทําให้เราสามารถจะซื่อตรงมั่นคงอยู่ในธรรมะ สำหรับพระความสุขเป็นเรื่องจำเป็นที่ทำให้บําหวงคงระจัญญาสำหรับญาติโยมท็เหมือนกันความสุขจำเป็นที่ช่วยทำให้สามารถจะมั่นคงในคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพหรือวิชาการไนดะ้ตอนนี้ความสุขจากการทำงานเนี่ยในหัวมันสำคัญเนี่ยเราจะทำอย่างไร ประการแรกเลยนะก็คือเราต้องมีฉันท่ในการฉันทาเนี่ยเป็นคาเป็นคำบาลีแปลว่าชอบทำให้เกิดความอยากทำความอยากเนี่ยมีสองอย่างนีในพุทธศาสน า, าอยากทำกับอยากเสร็จอยากเสร็จเรืเรียกว่าตัณหา ในความอยากเศษเนี่ยหรือตันหานี่มันใกล้เคี่ยงคำว่าโลกซึ่งมันทําให้สุขชั่วคราวแต่ว่าก็ทําให้เกิดความทุกตามาอยู่ที่กลางความอยากประเภทที่สองเนี่ยเป็นสิ่งดีอยากทำํำอยากทํางานอยากเรียนอยากอยากรู้นักเรียนนี่นะถ้าหากว่ามีความใฝ่รู้มีความอยากรู้ เราที่เรียนยังมีความสุขแต่ถ้าเรียนเพาอยากเอาคะแนนนะจะมีความทุกข์มากเลยพอเรียนอยากเอาคะแนนแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มีคะแนนบางทก็ทุกข์ใแต่ถ้าอยากอยากรู้นะอยากเรียนนะให้ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นยาก แล้วเด็กจะมีความสุขเมื่อมีความอยากเรียนเพราะอยากรู้อันนี้เราเด็กมีชันทางคนทุกวันที่ทำงานก็มีความสุขเพราะว่าถูกครอวมาด้วยความอยากได้อยากได้อะไรอยากได้เงินเดือนเพได้เงิ น, ะนงเดือนเน่นะก็ทำาไรก็ได้เพื่อให้มีเงินเดือน วันแต่ละวันเนี่ยก็ทํางานไม่มีความสุขแต่จะมีความสุขแค่วันเดียวตัวที่31เนะี mm ่ยเพราะลองน้ำเดือ น, น mm hmm. เสร็จแล้วกลับมาทุกใหม่เพราะว่าจําเป็นต้องทํางานอาศัยความอยากหรือตังหาเป็นตัวัลเป็นตัวัลให้ทํางานแต่ก็ไม่อยากทํเพราะจริงก็อู้งานจรีงก็ทํางานแต่ขอเป็นที เพียงเรื่องมันเสร็จเพราะจุดหมายสำคัญเนี่ยคือผลตอบแท น, นเดือนเดือนอาจจะเป็นเรื่องตำแหน่งแต่ถ้าคนที่มีชันทะในงานนะก็มีความอยากทำพอถึงเช้าวันพอถึงเช้าวันจันทร์ก็มีความสุขเลยจะไปทำ คามสุขเขาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งของของเดือนไม่ต้องไปรอที่สามสิบเอ็ดเพราะเขามีความสุขที่ได้ทำทั้งฉันทาที่สําสคัญเพราะและถ้ามีฉันทายแล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยวิริยะความเพียรความเพียรเนี่ยไม่ว่าจะเพียรในการเรียน หรือเพียรในการทำงานมันต้องอา่สัญธาตความชอบพวกเราหลายท่านจะเคยดูรายการแฟนดัแท้ยการดังท้ายนี่พวกนี้เขรู้อะไรเยอะมากเลยนะบางคนก็เป็นแฟรรังทายกัท บ, บทีมแมนยูถามเพราะว่าถ้ามีคำถามว่าอตอนที่แมนยูชนะบายเยิร์เนี่ย ประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตนที่กสินาทีแรกเนี่ยถูกยิงนาเป 1-0 และต่อเวลาเนี่ยแมนยูยิงไปได้สองประตูชนะนลพิกา่าข้าหมายถามเพราะว่าคนที่ยิงประตูของแมนยูเชื่ออะไรตอบได้ถามว่ายิงนาทีชี่อสลรดตอบได้ถามว่ายิงด้วยเท้าซ้ายหรือเท้าขวาตอบได้ใช่ไหมแฟนของแมนแฟนแฟยของพิเทอร์บอกได้ว่าอลบัมแกขงิเทอร์เนี่ยออกที่ไห ออกเมื่อไหร่ซีนีโออะไ ร, ออะไรใครเป็นใครเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นหมดถามว่าทําไมรู้เยอะเนี่ยเขาคนเองถามว่ามีเขารู้ไหมตอนที่เขาคนเขาศึกษาเนี่ยมาติดเงินเดือนมาติดผลตอบแทนเขาไม่รู้หนอกแต่เขาชอบเขาชอบโรแนติกเธอาชอบโ ร, บรแมนติกเขาศึกษาคุณภาโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่มีผลตอบแทนงอมเลยนมนาเลยการมาแทรกเรื่องทศกาลนี่ก็รู้เยอะมาก เรามาเกี่ยนสามโคกพวกนี้เนี่ยมีวิริยะแน่นอนแต่เ้ามีวิริยะเพราะอะไรเพราะเขามีฉันทาไม่ใช่เพราะตังถาเขาไม่ได้ทำเพราะอยากอยากให้คนชมเขาไม่ได้ลพูดความเขาอยากจะมีเงินเดือนเพราะของพวกนี้เนี่ยมันไปไปแลกเป็นเงนินไม่ได้แล้วพวกนี้มีความรู้ที่ a m a ซ i n g มาพาะ เขมีวิริยะและเริยะของเขาเกิดจากสองท่มันก็ตามเขามีวิริยะเนี่ยก็ตามเรื่องจิดตามือเอใจจดจ่อสมาธินั่นเองจดจ่อเนี่ยนะก็มีความสุขได้รู้นะได้อ่านก็มีความสุขได้ค้นก็มีความสุขในทางเดียวกันถ้าได้ทําก็มีความสุขตามเรื่องทีมังสานี่มังสาคือ ความไต่ตรองเพื่อทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามีพี่มังสานะปรารถนาจะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้งานที่ทำออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนยใครท้วงใครใครแนะก็ไม่โปรดชอบก็ทาให้เห็นจุดข้อก็ไม่เห็นขอ้อบกพร่องทำไม่เห็นจุดที่ต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้หลายคนที่ไม่ชอบการท้วงไม่ชอบคนแม่น้น้ำเลยซ้ํา พรรู้สึกว่ามันกระทบตาท้วงไม่ได้แนะนำไม่ได้โกรธนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีตัววิมังสาและที่ไม่มีวิมังสาสุทธะเขาก็ไม่มีสุทธะการท้วงในที่ประชุมการท่วงในที่ทํางานหลายคนเป็นเหตุทำใหเ้เราตึงโกรธนะเพราะเขาเอาตัวเองเป็นตัวต่งางเอาตัวเอาตัวครูเป็นศูนย์กลาง พอถูกทวงก็รูสึกเสียหน้าแต่ถ้าเราพิมังสาเป็นตัวตั้งนะเราจะเ อ, อางานเถ้าเราถ้าเรามีพิมังสาเราจะงานเป็นตัวตั้งหมายความว่าจะทวงจะจะวิจารณ์ยังไงเนถะ้าทําให้มันงานถ้าทำให้งานดีขึ้นเราก็กระตุนพอใจมันมีมีอาจารย์ ที่เป็นศาสตราจ า, ารย์ของมหาวิทายาลัยเคมบรนหนึ่งเนี่ยอันนี้เมื่อ50ปีที่แ ล, แล้วเมื่60ปีที่แ ล, แล้วคนนี้เป็นอาจ า, ารย์ของสตีเฟนดอกรินส์ดอกรินส์เนี่ยเป็นนักวรทยาศาสตร์ที่มีชื่อมากที่เขาเสรอแนาคิดเรื่อ ง, Self ing. Ing. งเซลล์ที่ยีนเห็นกก่ตัวแต่ต่มาจะไม่พูดถึงดอกกินส์แต่ต่มาจะพูดถึงอาจารย์ของเขา เราเกี่ยงผู้วิจารย์เขาเป็นนััต์ศาสตร์าตราจารย์ทางด้าสัตววิทยาสูโรจทีเมื่อวานสักสงสปีที่แล้วเนี่ยมันมีความเห็นหรือทฤษฎีว hmm. right. ่าในเซลล์เน right ี Hell, right ่ยนะมันมีสารประกอบตัวหนึ like ่งช right ื่อว่าเขาตั้งชื่อว่าโกกิแอพพารัสมันคืออะไรอยากรอสนใจนะฮะแต่ว่า สารศาสตร์ตางๆของนี้แกแยง้งแก่ค้านว่ามัน ม, มีจริงสมัยนั้นเนี่ยที่สุดยากเพราะว่ามันยัไม่มีกล้องตัวระทัดอิเล็กตรอนนะแกใช้แกเขียนแกค้านเนี่ยทฤษฎีนี้มาเป็นเวลาสิกว่าปีแกเขียนงานวิจัยแกเขียนงานเขียนตำรายค้านไอความที่เรามีโปรเกียบคาร์บอน แล้ววันหนึ่งเนี่ยเทมเจเชอร์อาจารย์หนุ่มชาวอังกฤษอเมริกันมาบรรยายอาจารย์หนุ่มคนนี้เนี่ยแกก็เอาหลักฐานเอาข้อมูลมาชี้มายืนยันว่าโลกเปียกพารัสุ่มจริงและในที่ประชุมนั้นเนี่ยศาสตราจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของเซนตดอกินก็มาหัวเบเวจีเนี่ยนักวิชาการหนุ่มชาวอเมริกันนี ทฤษฎีของศาสตราจารย์นี้เป็นชิ้นๆเลยทีในความหมายทื่ว่ายืนยันว่ามันมีจริงถ้าเราเป็นศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยอยู่ในในที่ประจุมขอเราจะรู้สึกงไงเรายังถูกทีเป็นชิ้นๆอาจารย์อเมริกรันเมื่อพอพูดจบนะศาสตราจารย์ชาวอังกฤษแกขึ้นมาแกลงมาที่เวทีเอาแตขึ้นมาที่เวทีมาที่โพเดียม แกมาทำอะไรซะนะแกมาชมแล้วขอจับมือกับอาจารย์คนคนนี้แกบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณจริงๆผมพลาดมาถึงสิบห้าปีขอบคุณที่ชี้อาจารย์หนุ่มคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกับคนไทยพิชี้นหน้าใช่ไหมเสียหน้าเลยนะโว้ยทฤษฎีที่เราแยกงมาสิบห้าปีเพราะบอกว่า มันถูกหักล้างแต่ทําไมอาจารย์าศาสตราจารย์คุณ น, นั้นเนี่ยจิงไม่โรกรธกลับมาขอบคุณขอจับมือเพราะแกเอาวิชาการเป็นตัวตั้งแกไม่ได้เอาตัวครูเป็นตัวตั้งถ้าอาตัวครูเป็นตัวตั้งนะมันต้องโรกรธเพราะาเสียหน้า แต่พอเอาวิชาการเป็นตัวตั้งเนี่ยนะใครที่มาชี้แนะให้เห็นความถูกต้องหรือทำให้วิชาการน้องมันเกิขึ้นต้องขอบคุณอันนี้มันสะท้อนถึงทีาา่ปัสสนาซึ่งมาสะท้อนถึงตัวอาจารย์ศาสตราจารย์คนนั้นว่าเขามีชันทะในในวิชาการเขามีความสุขที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ขอบคุณ ใน ว, วิชาการหนึาที่ทำให้เขารู้เพิ่มขึ้นและทําไม่ได้เห็นว่าความรู้เที่เขามีบางเรื่องเนี่ยมันผิดเขาขอบคุณที่ทําให้เขาได้รู้ถูกรู้เพิ่มเติมมีความสุขฮนะไม่โกรธอันนี้คืออานิส์ของพิมังสาตอนนี้ถ้าเรามีถามว่าถ้ามีฉังชาแล้วเนี่ยนะในถ้ามีฉังชาเนี่ยมันก็จะเกิด วิริยะกิตติวมังสาตามมาทำให้มีความสุขแม้จะถูกทักถูกทวงไม่เสียหน้าไม่โกรธคำถามคือฉันทะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะชอบเราจะชอบทามีชันทะในงานได้อย่างไรคำตอบคุณต้องเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของงานนนะคุณค่าของงานเนี่ยนะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของงานนั้นแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราเห็นประโยชน์ของงานนั้นแค่ไหนแม้บางงานอาจจะดูเหมือนต่ำต้อยในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเรามีคุณค่าของงานนั้นเนี่ยงานนั้นมันจะมีคุณค่าในสายตาของเราและสรรชาจะเกิด มันมีเรื่องเล่านะอาของจากคุณหมอคนหนึ่งนะเมือ่อต้นกีศึกษาสิบปีก่อนคุณหมอคนนี้แกเคยเป็นรัฐราชการที่ประทงสญญาธารณสุขตนหลังก็ออกออกจากราชการมาช่วยคุณพ่อซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ธุรกิจคุณพ่อเนี่ย ม, มันเป็นมันเป็นบริษัทเป็นบริษัทใหญ่เลยนะเป็นโรงงานด้วยแล้วก็มีรถเข้าขออกเนี่ยวันเป็นร้อยร้อยคั วันหนึ่งเนี่ยคุณหมอเนี่ยแกก็ไปที่ทํางานก็ไปสังเกตเห็นพนัก ง, งานคุ่มรถเข้าออกคนตรงนีงน้อายุมาแล้วหกสิกว่าแล้วนะแกเอกใจเพราะว่ า, 1, นงงานนหนึ่งพนักงานคนนี้เนี่ยทํางานกับพ่อเนี่ยมานานและสองเฉพาะตําแหน่งที่เป็นพนัก ง, งานเฉพาะหน้าที่ที่เป็นกลุ่มรถเข้าออกเนี่ยแกต้องเห็นมาสิกว่าปีแล้ว นี่แกก็ออยังเป็นพนัก ง, งานตรงนั้นอยู่แต่ที่เอบใจบอกนะคือคุณลุงคงนนี้แกก็คือนร้นมากเลยนะแกแอคทีฟมากแกมีเช้ชัวร์วมากในการทางานคุณหมอก็เลยไปคุยด้วยถามว่มาลุงทำงานตรงนี้มากี่ปีแล้วแกก็ตอต่อมาณสิบห้าปีแล้วคุณหมอสิบห้าปีแล้วชเชอเนี่ย โหล้วทั้ไงลุงถึงทํำได้นานขนาดเนี้ไม่เบื่อเหรอแก ต, ตอบว่าแกบอกคุณลุงจะเบื่อได้ยังไงอ่าคุณหมอมันจะเบื่อได้ยังไงผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะรถเข้ารถออกเนี่ยนะถ้าผมยกมือเนี่ยรถทุกคันก็ต้องหยุด น, นายจัดรถคุณพ่อหรือผู้จัดการต่อนนี้ผมตัอให้เข้าที่จะเข้ามาได้แกนะ หือจะพูดถึงความภามคภูมิใจว่างานที่แก่ทำมีสําคัญแกเป็นคนสำคัญตรงนั้นเรื่องนน้อยนะก็แดดก็ร้องแต่แกมีความสุขแกมีชันค่าในงานเพราะว่าจะรสวมงานที่แกท่ทา ม, มันมีคุณค่ามองในแง่อัหนึ่งมันก็เป็นคุณค่าในเชิงเจิงอัตตานะคือความเสก่อมของคนสำคัญเนี่ยมันก็เป็นอัตตาชนินดนึงแต่ถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะ เราก็มาช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับการทํางานได้แต่บางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เราเห็นว่ามันทำให้เรามีความสําคัญแต่เป็นงานที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็ได้อย่างเช่นมีเรื่องเล่าว่ามีชายสามคนเนี่ยทํางานก่ออิฐใกล้ๆเป็นคนก่ออิฐ คนนึ่งเนี่ยนะก่ออิฐด้วยความเฉี่อยชาทาไปได้สักพักก็รกระถ่อยไปสู่บุรี่สู่บุรี่ก็สู่การเฉื่อยชาช้าบุหรี่หมดบวนจึงค่อยมาทำงานก็เดินมาอย่างช้าช้ามาถึงก็ค่อยก่ออีกคนที่สองเนี่ยก่ออิฐอ่ารวดเร็วหน่อยแต่ว่าทำไปก็ดูงนาฬิกาแล้นะันนั้นเป็นสี่โมงเยนแล้วใกล้เวลาเริ่มแล้ว คนที่ส า, ทามทำงานกับต้นมาเนี่ยเหนือเต็มหลังเย่ยทำงานับตูล้ลุลน์ไม่มีการอูดไม่มีการแยกเป็นพาคสุขุลีเมื่อไปถามคนแรกว่าทาอะไรก็ตอบผมกําลังก่ออิฐถามคนที่สองกลังทําอะไรก็ผมกาลังก่อคอนแทงถามคนที่สามกำลังทำอะไรก็บอกผม ก, มามามกํากลังสร้างวัดครับ สคนทํางานเหมือนกันแต่ถามว่าใครมีความสุขมากที่สุดเราคงตอบได้คนที่สามการที่เขากระตือรือร้นการทำมิจฉุท์ิ่งชดช้อนฉว่าเขามีความสุขมากถามว่าใครเหนอยที่สุดก็คนที <Award. S 1> ่สามใช่ไหมใช่คนที่สามเหอยที่สุดแต่มันเหนืยกายแต่มีความสุขใจเห็นได้ชัดว่าเขมีความเพียรและฉันก็มีความเพียรเพราะก็เห็นคุณค่าของงานที่เขาทำ เขารู้สึกว่าเขากำลังทําบุญทําบุญมหาบุญศมกำลังสร้างวัดคนไทยชาวพุทธเนี่ยนะเราก็เห็นว่าเราก็สื่อการสร้างวัดเนี่ยมันเป็นงานที่มีประโยชน์มากเลย น, นะมันเป็นการสู่ต่อศ า, าสนาจะเห็นไกลขนาด น, นะ น, นั้นคนนึงเนี่ยเห็นแค่แค่เฉพาะหน้าคือก่อนคนที่สองเนี่ยเห็นความขึ้มนมาหน่อยคือกองแทง แต่คนที่สามเนี่ยเห็นไกลถึงว่างานที่เขาทำเนี่ยมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นตามมาแล้วคนที่สามมีวิสัยทัศน์กันคนที่สามพ่อเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันมีคุณค่ามากก็จิงมีชั้นทัศน์ส่วนคนที่ห่คนที่สองเนี่ยทำเพราะอะไรเพราะตัณหาอยากได้ค้าจ้างอยากได้ข่าจา้างก็เลยทําอย่างขอไปทีทพเพียงเพราะเพื่อมันจบไปนะ เพียงเพื่อจบวันเพียแต่ว่าจะจะทํำยังไงนะบอคกคนเขาอู่มากกว่าบางคนก็าอู้น้อยกว่าแต่ที่แน่คือทำแล้วไ ม, มีความสุขจะมีความสุขก็ตอเมื่อได้เงินเดือนได้คระจา้างตอนท่ามือเด่นแต่คนที่สามเนี่ยนะก็อาจจะมาทำเพราะเขาอยากได้เงินเดือนก็มีแต่ว่าเขามีความสุขเพราะเขาได้ ท, ดทําสต้องมีค่าคือสุดต่อพระศาสนา ด้วยการช่วยสร้างวันให้เกิดขึ้นาการภ้าวเกิดขึ้นได้นีจากการที่เราเนี่ยเห็นคุณค่าของงานที่กําลังทําอยู่แม้ในสายตาคนอื่นก็จะเห็นว่าเป็นงานจิก๊กจเป็นงานต่ำต้อยเป็นงานใช้แรงแต่สําหรับคนที่สามเนี่ยงนะานนี้ก็าทำเนี่ยมันเป็นงานที่มีเกียรติมีคุณค่า ว, ว่าจะคือแค่รักสำคัญในาการทำงานูีความสุขคือการที่คุณเหนคุณค่าของางานไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเงินเดอนไม่ใช่เพียงแค่เลื่อนตาแหน่งไม่ใช่เพื่อเป็นเกียรติยศขององคตระกูลเท่านั้นมันมีเรื่องเล่านะที่อ เ, เมริกาเมื่อสัก60ปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีประมาณปี 60-61 นะ หึงก้าหกศูนยึงก้หกหเนอเมริกาตืนตกใจมากเมื่อพบว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นประเทศแรกที่สามารถส่งยานอวกาศไปโคจรรอบโลกสตุกนิทาแต่เราส่งยา น, บบนอวกาศไปคนแร ก, ก, รกโคจรรอบโลกอยู่ในกาลิเลอเมริกาเสียหน้ามาการู้สึกว่าโอา้เราเชื่อเราจเจริญที่สุดในโลกพรกาะว่ารัเสเซียจเจริญกว่าด้านอวกาศ อเมริกาก็เลยถือว่าเป็นวาระของชาติในการที่จะต้องทําให้พัฒนาวิทยาศาสตร์การอวกาศเคนดี้ประกาศเลยเราต้องส่งลึกไปโรงจันเด็นประเทศแรแต่ถึนตอนนั้นตอนนี้ตรงนั้นเนี่ยต้องหาทางส่งให้ให้ยานอวกาศมันจเจริญพัฒนาถึงขั้นสามารถราโคจรรอบโลกได้ห่อได้ทันสามารถแข่งทันปรัสเสีย อันนี้เป็นวาระหนึ่งนักข่าวคนนึ่งเนี่ยเช้าโตู่แกก็ไปที่องค์การนาซาแกไปประมาณเจ็ดโมงนะเจ็ดโมง ก, กว่ากว่าก็เห็นคุณป้าคนเนี้ยครับกำลังบูดบูดทาความสะอาดแกเสียวคุณป้าคนนี้เนี่ ย, อ ต, อนนยตอนที่ทํางานคนเดียวนะไม่มีใครอยู่นะแต่แกทำงานแันแข็งมากเช้าโตด้วยแกก็เลยสงสัยเลยไปคุย ว่าทําไมเนี่ยมาทำงาแต่เช้าทําไมถึงทำงานแกทำแข็งมากมีความสุขมากคุณป้าตอบว่าอันที่จะทํานี่นะเพื่อช่วยให้อเมริกาเนี่ยสามารถจะส่งมนุษย์ไปลจงจำได้แค่ทําความสะอาดเนี่ยนะแกไม่ได้เพียงแค่ทำให้พ้อนี้สะอาดนะแกไม่ได้เพียงว่าเออจะได้มีมเงินไปเลี้ยงครอบครัวแกเที่ยแกจเป็นส่วนของการทําให้อเมริกาเนี่ยชนะรัเสเซีย ส่ง น, นักบินยา น, นอาวากาศไปเหยียบดวงจันรได้เป็นประเทศได้ในโลกแค่มองไกลนะฮะเราทำมาเพื่อถ้าเราทํางานที่นี่อย่างเช่นเนี่ยทาําการที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยทำงานที่ศาลธีกาเนี่ยน่าจะเป็นพนักา ง, งานทค่หุ้นน้อยแต่ถ้าเราคิดว่าเรากำลังส่วนทําให้ประเทศเราเนี่ย ม, มีระบบยุติธรรมที่มั่นคงเข้มแข็ง หน้าภาคภูมิใจนะเพื่อที่จะดำรงนะความสมบสุให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านหลวงสมตามาาพระประสงค์ของในหลวงประเจ้าตากาิอย่างนะด้่ยทั้ทนั้นนี้มีความสุขนมะาจะเป็นพระสการ์ซีน้อยซีตำเพราะเราเห็นววิสัยทัศน์ถ้าเรามีวิสัยทัศน์มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับช่วยให้ประเทศชาติจเจริญมั่นคง น่าจะเป็นเจ้าทคุณน้อยแต่มีความสําคัญอัตราไม่เอียเปรียบเทียบ เ, เหมือนกับเป็นฟารเฟือ ง, ง, งที่ทําให้เครื่องจักรมาทํางานได้เราเป็นมากกว่านั้นการที่คนเรานี่นะสามารถจะใช้ทุกตาปกติได้อย่างที่เป็นเนี่ยที่ดูอย่างเช่นมองเห็นเนี่ยการที่เรามองเห็นได้น่นะมันต้องอาศัย ความมันต้องอาศัยความร่วมมือของสิ่งเล็กๆน้อยๆมากมายเพียงแค่ขาดนิวโรพาสซิวเตอร์บางตัวนะนิโรพาสซิวเตอร์คือสาสุ่อประสาทบางตัวเนะนียนะหรือว่าสารเคมีบางตัวไม่ทำงานเนี่ยตาเราบอดนะฮะและไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยจนกว่าจะปรับตัวได้มันมียีนตัวหนึ่งนะในร่างกายตางนี้ที่ผลิตโปรตีนชนิดหนึ่งขึ้นมา ยีนที่มันเล็กมากนะะถ้ายีนตัวนี้เนี่ยนะมันมันพิการนะมันจะไม่สามารถผลิตโปรตีนตัวนี้ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นตามมาสั้นนะโรคพาร์ทิสันเขาจะสั่งๆนะพูดไม่พูดติกลัวเลยนะทนําอะไรไม่ได้แค่ยีนตัวนี้มันเที่ยนเนี่ยมันเดีย้ยนหรืเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะหมดเลยนะความรู้ความสามารถจะเป็นจะเป็น วิศวกรสถาปนิ้หรือยิ่งถ้าเป็นสถาปนี่เป็นหมอสัตวแพทย์นี่นะหมดเลยหนะ้าอาชีพทุกหมดเลยหนะ้าเป็นแพทย์ชปฏิัันธ์เพราะคุณถ่มไม่ได้หมดคุณสัมพนธ์เนี่ยดีนะดนะดนะตัวนี้สาคัญมากและปัืนก็สาคัญนะเราไปพูดถึงสมองนะว่ามันสำคัญแต่ดีนเนี่ยนะมันมีนกลไกเยนะอะแยะมากมายที่สำคัญและเราเป็นคนและคนน้อยเป็นข้าราชการทัานคุณน้อยเนี่ยจะมาเพรสําคัญมาก เราต้องเห็นตรงนี้นะแล้วถ้เห็นตรงนี้เนี่ยนะเราจะมีฉันทะแล้วทำงานจะมีความสุขเหนื่อยกายแต่ว่าใจเป็นสุขคนเราจะทํางานนี่นะมันทํางานด้วยสองปัจจัยหรือสองแรงหนึ่งแรงผักสองแรงดึงหลายคนทํางานเพรแรงผักนะแรงผักเช่น กลัวว่าจะกลัวว่าจะจนแรงผลักเช่นความยากจนแต่บางคนก็ไม่อยากจนจตมีแรงผลักบางอยา่างอยากจะรวยตัวจนนะหรือว่ากลัวถูกต่อว่ากลัวเจ้านายว่ากอเลยต้องมาให้ตรงเวลานะสายไม่ได้กนะลัว หรือว่าความเอความอีกครั้งตัณหาเป็นเป็นแรงขับหลายคนไ่อยากทำงานหรือว่าช่างเกาะช่างเกาะอีกไี่ยากทำงานแต่ว่าความอยากเกินก็ดีหรือว่าความอยากจะกลัวกลัวยากลำบากก็ดีก็ทําก็ผลักให้ต้องทํางานแต่มันมีแรงขับที่ดีตนะ่อหน้นคือแรงดึงแรงดึงก็คือแรงดึงดึง เพราะวาันมีคุณค่าอยากทําทำแล้วมีความสุขงานที่ทำแล้วมีความสุขก็อยากอยาก่างทําเหมือนกับเราไปโรงเรียนนะีตอนเด็กๆเนี่ยนนะหลายคนไปโรงเรียนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแรงดือก็คือเพื่อนแต่จะไม่เจอเพื่อนพอถึงเช้าวันจันทะร์เนี่ยอยากไปโรงเรียนนะจะได้ไปเจอเพื่อนจะได้ไปห้องส ม, มุดจะได้ไปเจอครูที่สอนเก่งแต่บางคนไปเพราะแรงขับนะพ่อแม่ครับ หรือกลัวกลัวถูกพ่อแม่ลงโทษกลัวถูกครูลงโทษหรือกลัวไม่ได้คะแนนดีกลัวเสียหน้าถ้าเราไม่เขยิ้มถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เกรดดีเดี๋ยวคนเขาโจกว่าเาถ้าเราพอชื่อเราเนี่ยทํางานเพื่อแรงกรำเนไม่มีความสุขนะแต่ถ้าเราทํางานเพื่อแรงดึงดูดก็เรามีความสุขก็เราเห็นคุณค่าของงานที่เราทําก็เราเห็นว่างานที่เราทํำมันมาช่วย ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงความสุจการทำ ง, งานมันเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องการเป็นเรื่องของจุดตั้งต้นของการา ง, งานนะฮะหรือว่าการสร้างแรงจูงใจในการทา ง, งานแต่วันนี้ความสุจริการทำ ง, งานมันจะเกิดขึ้นในระหว่งางที่ทำงานด้วย ซึ่งนอกจากการมีสัญชาจากที่พูดแล้วเนี่ยการวางใจให้เป็นระหับที่ทำงานสำคัญมากหลายคนไดาจะมีสัญชาในงานแต่ว่าถ้าตอนที่ทำงานเนี่ยวางใจไม่เป็นก็ทุกข์เหมือนกันนะหรือเครียดอย่างแรกที่พบก็คือหลายคนที่มีความเครียด จากการทํางานไม่ใช่จริงเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าพาระ ง, งานมันเยอะแต่เพราะว่าใจไม่ถูกใจเนี่ยน ะ, ะเขาไม่ได้ที่งานแต่ที่ทํางานแต่ใจไม่อยู่ข้างหน้าอย่าไปไปอยู่ที่เปิดรับเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จความเครียดในการทํางานเนี่ย ไม่สุขในการทํางานเนี่ยเพราะมันมีความวิตกกังวลและความวิตกกังวลส่วนหึงเกิดจากที่มันมีเส <illnesses> ียงบนภายในตีโพยตีภายหรือวุ่นายรุ่มหรือรุ่นใจเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จไอ้เมื่อหรเวลาเราเดินทางนะแม้เราไปเดินทางไปเที่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเราคอยแต่จะนึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่จะถึงภูเก็ต เราไม่มีความสุขการเดินทางใชนะ่มาี่สองข้างทางก็สวยงามนะมีวิวทิวทัศน์ดีแต่เราไม่เห็นนะเราไม่มีความสุขกับการเดินทางเพราะใจเราคิดถึงกับว่าเมื่อไหร่จะถึงเพราะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่บางทอดใจ ค, คนมากและไม่ใช่เมื่อไหร่จะเสร็จเดียวบางทีก็ไป็นตนงังวลกับงานอีกมากมายเที่ยังคายอยู่ ใน ง, งานข้างหน้านี่ยังไม่รู้เลยจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะต้องไปเจอใน ง, งานมากมายที่กองอยู่แค่นี้ก็ห่ อ, หอเหี่ยวหลายคนเนี่ยใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะแต่ใจไปอยู่กับอนาคตและทําให้คอทําให้เครียดทําให้ยุติตอนกางวันเพียงแค่เราใจอยู่กับปัจจุบันของงานที่ทํานะหลายคนจะพบว่า คามมีตกมันน้อยลยความกังวลมีน้อยลงการทํางานบางครั้งกับการเปิดริ้นชักเนี่ยถ้าเราเปิดริ้นชักไหลไปริ้นชักเนี่ยเราเครียเลยทํางานตรงนี้ก็ถึงงานข้างหน้านั่งฟังตรงนี้แต่ว่าก็นึกถึงว่าเดี๋ยวนะตอนบ่ายเข้าไปประชุมเรื่องสําคัญแต่ไม่ได้เตรียมประชุมเลยเครียด บางคนนะเวลาทํางานนะก็ทํารกไม่มีความสุขพอเลยใจไม่ได้ถึงลูกลูกไม่สบายหรือลูกกาลังจะสอบข้าวสารทลายหรือลูกกำลังสอบสัมภาษณ์หรือลูกกลา ล, กกลังมีปัญหากักแฟนทางานตรงเนี้ยใจไม่ถึงลูกก็เลยวิตกเครียดแล้วก็เลยไม่มีสมาธิเหมกัน ง, งานทีน่ออกมาไม่อยู่ แล้วก็เวลาทางานนึกถึงลูปเวลากลับไปบ้านอยู่กับลูกใจนึกถึงงากังวลแล้วเดี๋ยวไลนยปิงเป็นการส่งมาแล้วกลมาแปลกนะฮะทํางานเนี่ยที่อยู่กับพ่อพ่นึกถึงลูกเได้อยู่กับลูกแทนที่อยู่กับลูกให้ใจเป็นนอนที่ทึงงานเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะนึกถึงงานเว่ารู้ขึ้นพอเป็นนอนนะก็นอนไม่หลับเพราะเพราะว่างงนอนอ่ะพอไปทํางานก็ทํางานไมด้เพราะงงนอน ใตอนจำลนั้นมันนอนไม่หลับเพราะไม่ถาแต่พอไปทำ ง, ง, งานก็งงเราทำไม่ได้เพราะอะไรใจที่อยู่กับลูก ม, มันแก้ง่ายที่เดือนนะเวลาทำงานใจที่อยู่กับงานวางเรื่องลูกไวก่นเวลอยู่กับลูกใจที่อยู่กับลูกเป็นร้อยวางเรื่องงานแล้วคุณจะพบว่าความวิตกกัวววงวลเนี่ยนะมันมน้อยลงไปเยอะอันนี้เรียว่าเปิดเปิดเปิดริชชักเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเรื่อๆไป เปิดลิ้ น, นชัมันก็ เ, นนเปิดลิ้ชักอเนนแล้วก็แต่หลายคนจะเปิดลิ้ชักพร้อมกันหลายอันเลยนะโอ้เครื่องเลยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะงา น, นเยอะมากท่อแท้ห่อเหยมันมีนักปีนเขาคนหนึ่งนะคือรูซสตีเป็นคนที่ปีนเขาสูงที่สุดในโลกมาแล้วรวมทั้งเขาที่สูงที่สุดในทุทกทวีในกาเอเชียอริกายุโรปเอเเรสเนี่ก็ก็ ปีไปได้มากกว่าหั้งนะปี well, ที่ไปท sure <im ี่ยอดก็เพื่อ้น่าสนใจและประสบการณ์การปีนเขาสิบสิบปีเขานี่มาทำให้เขพบว่าทุกอย่างมักดูน่ากลัวกว่าความเป็นเสมอเมื่อมองจากที่ไกัแล้วเาเวลาที่ปีนเขาเนี่ยอยู่ที่เบสแคมเนี่ยเขามองไปที่ยอดเอเวอเรสตนี่หลายคนเขาเจอสุดข้อหินเาสึกว่าันไกลมันยากมันอันตราย อีกเป็นเดือนกว่าจะถึงแต่ก็เว่าเทคนิคการปีนเขาที่มันช่วยเขาได้มากนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งคือว่าง่ายมากเลยลืมยอดเขาซะสนใจพื้นที่ใต้ข่าเท้าแล้วก็กล้าไปที่ระับก้าถ้ากล้าไปาไม่อยู่นะถึงแน่ง่ายนะครหลายคนเนี่ยนะยนังไม่ทันจะเดินเลยพอมองไปที่ยอดก็ทอ แต่เพียงแค่เราสนใจพื้ที่ใต้หลับเทแล้วเดินทีนละบเก้ 9, าถามใจตัวนาองเก้าต่อไปเดินได้ไทุกคนตอบได้ว่าเดินได้แล้วเดินไปเรื่อ ย, อ, ยอัตมาพาตัวไปเดินธรรมยาตราทุกปีทุกปีนะวั น, นก็เดินที่สบกิโลมื่อยี่สิบห้ากิโลมตามแดด ก, ก็จะบอกคนที่เดินเสมอ ว, ว่าจุดหมายอยู่ไกลแต่ใจอยู่ปัจจุบันนะมันจะไกลแค่ไหนขอใจอยู่ปัจจุบัน รับรู้รู้ตัวแต่กล้าแต่ลับก้าและถ้าคุณก้ามันถึงได้แต่จะทํานั้นได้เนี่ยคุณต้องวางแผนคุณต้องเดินถูกเส้นทางคุณต้องเดินถูกเส้นทางคุณจะเดินถูกเส้นทางเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนแ้นการวางแผนเนี่ยจำเป็นนะแต่พอถึงลุกเวลาลงมือเดินหรือลงมือทำอยู่กับปัจจุันเ้าวันจันทร์ทำงานใจก็อยู่กับงานที่ทำส่วน บ่ายวันจันี้เอาไว้ก่อนไม่ต้องออกมาคิดเนะี่ยองานบ่ายวันพึ่งเนก็วางเอาไว้ก่อนแต่คุณจะวางนี้ได้เนี่ยนะก็ต้องวางแผนแล้วเนาะเช้าทําอะไรเช้าวานันจทํ า, าทอะไรบ่ายวันจัทนทําอะไรพอซอยเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยนะมันจะง่ายที่จริงยอดแต่งงานเลยนะเวลากินขนมเค้กกินพิซซ่านี่ยมีใครกินคําเดียวหมดไหม การกินของอร่อยๆเราต้องต้องถ่ายใช่ไหมต้องแบ่งเป็นซิกๆแล้วเราก็กินทีละคำทีละคำการทํางนานก็เหมือนกันนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับเป็นหลัง ง, ง่ายๆที่ช่วยทําให้ความวิตกกังวลจากความคิดปรุงแต่งมันแบบน้อยลงแต่มาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ย ง, งานที่ทำเนี่ยไม่เลยยาก เนี่ยทำให้ทุกข์ไม่ได้ง่ายแต่ที่มันหนักเพราะเป็นวิตุนานขึน้นมากแล้วก็เหมือนกับเวลาเราเดินทางนะเจอรถติดนะถามว่ารถติดเนี่ยทําให้เราทุกข์หรือเปล่ามันไม่มันไม่ใช่นะรถติดไม่ทาให้เราทุกข์ใจเลยแต่ที่เราทุกข์ใจเพราะเราไปคิดต่อไปว่าถ้ารถตินนนนนนนถดนานนานกว่านี้ถ้าไฟแดงมันนานกว่านี้ เราจะไปส่งรูปให้ทำเราจะขาดการทุนเราจะผิดนัดสาาําคัญเราจะตกเครื่องบินพอที่ไป น, นะนี่นะจันวิบกงวงรุ่มร้อนขึ้นมาบังทีทั้งที่ในแอร์ในรถเนี่ยแอร์ย็นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นหรือ ย, ยังมันจะไม่เกิดแต่คิดไปแล้วพอคิดไปแล้วก็ทุกพอจันกับมาปัจจุบันตอนมีกรลมหายใจ รถป็นแค่ไหนใจก็ไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะความคิดเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าเช่นเดียวกันเราไม่ได้ทุกข์เพราะงานที่เราทาตรงนี้แต่เราทุกข์เพราะความคิดที่มันเลื่อยไกลไปปรุงแต่งในทางลและบางทีเราก็ทุกข์เพราะสร้าง ต, ตัวเองนะเพราะเราชอบมองกอกตัวเมื่อสักแปปีก่อนเนี่ย มันมีรายการสารคดีของช่องไทยทีวีอชื่อว่ารายการปฐมวัยเด็กก็จอดเด็กม่สามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันคล้ายคล้ี้ที่โชว์ค น, นดูก็สนใจเปนผู้ปกครองบ้างเป็นครูบ้างรายการนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่มันมีตอนที่น่าสนใจคือเ็ยอเด็กสามคนเนี่ยมาทากิจกรรมร่วมกันเพื่อดูว่าเด็กพวกแก้งกันหา ย, ยัง เขามีวิธการอะรไว้กา ร, รก็เด็กที่13ขวบ2 3คนเนี่ยมามาทำกิจกรรมร่วมกันกินจกรรมนื้ก็คือขนของขึ้นรถไฟรถไฟมดอรออกที่แน่นเราแค่ต้องมีคนบังเอิญวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอห์หัวพ้นทชก ม, มีการถ่ายทอดสมสมจิตจงจอหอนี่นนนพิกัดใชนไหมฮะเราจบกันได้โอตอนนั้น เด็กสองคนเนี่ยพอร่วมีการถ่ายทอดแกก็ทิ้งงานแล้วแกก็ไปดูโทรทัศับในร้านกาแฟข้างสถานีก็ที่ให้เด็กผู้หญิงเนี่ยทำเป็นเยอะพิธีขึ้นเลยไปถามเด็กว่าเนี่ยคิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งงานแล้วก็ไปดูสมจิตโชมวยเด็กก็ตอบว่าก็เห็นใจเพราะมันก็เป็นการสมจิตนานๆจะได้เห็นสมจิตขึ้นชค หนอทีม alloy, control, Israeli, ang, político, ots, ่มาสนใจหนูก็ทำงานของหนไปที่ดีกว่าที่มันไม่อใจคำตอบก็ถามใหญ่แล้วหนูไม่โกรธไม่ด่าหนูไม่โกรธไม่พิจะรณาว่าเขาเลอที่เขาทิ้งงานท่หนูทำคนเดียวเด็กตอบยังไงเตอบหนูคนของขึ้รถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าไปโกรไปด่าว่าเขาเอะูก็เหนยสองอย่างคนฉลาดไม่คยก็จะเหนื่อยีอย่างนะแต่คัามเป็นความเป็นจรางเราเหนือทีอย่างเราเจอแบบนี้หลายคนเหนื่อยสองอย่าง คือ เ, อ, เ อ, อเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจไอเหนื่อการไม่ถท่าไหร่นะแต่เหนือใจนี้มันบันทอนตัวเองมากเลยพ่อแนกะ็เป็นโกรธไ ป, ปดไป่า ว, ว่าเขาเขาหนีงานเขาทิ้งงานให้เราทําคนเดียวหลายคนทุกข์หลายคนเครียดกับการทงานไม่ใช่เ พ, พราะภาคราบการโอม่านะถ้ามันแค่เหนื่อยกายแต่ส่วนใหญ่เราไปให้เหนื่อใจเพราะเราไปเพ่งโทษคนอื่น มองไปนอกตัวมองไปที่เพื่อนร่วมงานว่าเขาทิ้งงานให้เราทำตรงเดียวทําไมเขาทางานเบาแบบแเราทําไมเจ้าหน้นานไม่ไม่ไม่เป็นธรรมใจที่โกนใจที่โวยวายเนี่ยมันทาให้เหนื่อยใจแล้วเราถามตัวเองมองไปตัวเอ ง, ว, เองว่าเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยใจมันโกรธนะเราไม่ได้เหนื่อยเราไม่ได้ทุกข้องงานที่ทำทข้างหน้าแต่เราเหนือยเพราใจที่มันโกรธโวยวายแล้วที่โกรธโวยวายเพราเรามองไปนอกตัว เราบอกไปยังอนาคตเราก็นึกไปว่าเมื่อไหร่จะถึงนึกไปถึงงานการที่ยังค้างคายอยู่มากมายกลับไม่อยู่กับปัจจุบนันฮะกลับไม่อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็รู้ทันใจใจให้มันฝนมันน้อยไหววางมานันลงซะเหน่อย <c oughs> การไม่เท่าไหร่แม้แต่สนใจเห <c oughs> นื่อยใจงการอยู่ับปัจจุบนัน <c oughs> มันเป็นศิลปะก า, ารทำงานที่ทําให้มีความสุข มันจาเปลี gary, <Same> no. Daniel, ่ยนเมื่อการเปิดลิกล้ำทีละทีละลึกล้เวลาคุณทำงานคุณเปิดลึกล้ำเดียวเปิดหลายลิกล้ก็คืออย่าเพิ่มไปลึกเมินลึกดีมาแค่ทางานทีาทำมันนอยอยู่ข้อที่สองคือรู้จักมองโกมองวบในที่นี้เนี่ยหมายถึงจะรู้จัก มองเห็นสิ่งดีๆที่มันอยู่ว่าล้งสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> พูดถึงใบรูปธรรมนะอันนี้ครูคนหนึ่งเนี่ยครูประถมเช้าวั น, นจันทร์ก็โชวกระดาษสีขาวกระดาษขาวเปล่าเสีาวามเวให้นักเรียนดูแล้วก็มุอขวาเนี่ยมันมีกากระว่างสีงดำครูถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไร นักเรยนทุกงตอบเห็นกรกระบาดสีดําครับครูถามต่อไปว่าแล้วเธอเห็นเห็นอะไ ร, ระหรือเปล่าทั้งชั้นตอว่าไม่เไม่เห็นอะไรเลยครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอเห็นสีขาวของกระดาษหรอเป ล, เลนักเรีย น, นยังเห็นแต่กรกระบาดสีดําเนี่ยนะอันนี้เรามองรัแต่คนที่มองหัวคือเห็นสีขาวของกระดาษด้วยผูวที่เรามองร่าเป็นเด็กนะเรา เราเห็นแต่ ก, ก, กากบาสีดำเราไม่เห็นสีขามก็ได้เราก็เละทุกเช่นเวลาเรามองงานคนอื่นเนี่ยเวลาเราเห็นคนเขาทํางานเนี่ยเราก็เห็นแต่กากบาทสีดำก็เป็ น, นแต่ข้บอบกพร่องในแต่ความไม่อยู่ของเขาแต่เราไม่เห็นด้านดีของเขาเลยเราเห็นแต่ว่าเขาเป็นคนชอบพูดมากมาสายหรือว่าชอบวางแก้ว ไม่เป็นที่แต่เราไม่เห็นความดีของเขาว่าเขาอาจจะเป็นคนมีน้ำใจมีความปรยัดมีความซื่อตรงเวลาเรามองตัวเองเราก็มองเห็นแต่ในส่วนไม่ดีของเราเห็ในแต่ความผิดกลาดเราก็เลยท้อเราไม่มีความสามารถแต่เราไม่เห็นว่าเราได้ควาดีอะไรบ้างถ้าเราลองมองเห็นตรงนี้บ้างเราจะเกิดความมั่นใจ ถ้าเป็นมองรถเองในความรุ้มเหลวแต่คนที่มองบุญก็จะเห็นความสำเร็จของตัวเองด้วยแต่มันทำไม่เกิดความสุขเกิดความมัน่นใจในการทำงานอาจารย์ประมาวโสเนี่ยถ้าเป็นพระชาวอังกฤษนะซึ่งมาบวชอยู่กับหวงพชาและตอนหลังท่านก็ไปที่ออสเตรเลียมืเอเพิร์ตีการสร้างวัด ตอนนั้นเนี่ยวัดก็ไม่ค่อยมีเงินเพราะฉะนั้นพระต้องสร้างครับต้องสร้างกังงนเองตัวอาจารย์ประลองโซเนี่ยทย่านเป็น้าที่ก่อกระแพงท่านเป็นคนที่ตั้งใจทํางานวน่าเวลาวางอิฐแต่แลกะก้อนแต่ละก้อนก่อกระแพงเทเลมิเตอร์นี้ท่านจะตั้งใจจะให้อิฐแต่ละอิฐเนี่ยมันมันเข้ามุมกันนะแล้วก็อยู่ในระนาบเดียวกั น, กน ท่านทำแบบนี้ไปเทเลนิตเทเลนิตเนี่ยนะจนกระทั่มันเป็นงแผน่นเกือจะเสร็จแล้วไอตอนที่ใกลเสร็จท่านเปเหลือเห็นว่ามันมีแผน่นมันมีอีกสองก้อนเนี่ยที่มันไม่เข้ากเท่าไหร่ถ้าไม่พอใจท่านอยากจะรู้สร้างใหม่แต่ความีมอตาเจ้าว่าเจ้านว่าไม่ยอมเพราะว่าสร้างไปเยอะแล้วใช่เงนไปมาก ท่านก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจท่านพูดเล่นเทเนี่ยถ้าระเบิดกำแพง ไ, ได้ท่านก็จะระบดนะพูดสร้างข่าวให้นดีกว่าเดิมแต่ทาไม่ได้เวลาท่านเดินผ่านกาแพงเนี่นะท่านก็จะเห็ น, นอีสองก้อนนี่วันนึงเนี่ยมีอาคันตุกะมาท่านกับพาชมว่าเดินผ่านกาแพงอักคักนตุกะนั้นก็ พูดชมว่าเนี่ยกําแพงก่อได้สวยนะท่าอาจารย์อาจารย์ภูมิสกท่านไม่เชื่อไม่เชื่อหูเลยนะถ้านก็ย้อนกลับว่เนี่ยคุณว่ามันสวยเหรอคุณไม่เห็นอีกสองก้อนนี้อาจารย์ภูมิศกุลบอผมเห็นครับแต่ผมเห็นไอ้ก้อนแล้วก็สี่ก้อนนี้มันสวยอาจารย์นะฮะ อาจารย์โปเนี่ยท่านเห็นแต่ข้อกล้องแต่คตกาดเนี่ยไม่ได้เห็นแต่ข้อกล้องเห็นไอ้ส่วนที่มันดีด้วยเสียสองแต่ก็แล้วลก็จะเปียกลมันดีอาจารย์กลมองสูบว่าว พ, อพอท่านได้คำคาพูดของอคตกาปแล้วเนี้ใจท่านโล่งเลยนะท่านทุ ก, กับไอ้ปสองก้นนม ง, กกททนนงท่ัน้งนานจกท่านท่านต่างว่าที่จริงท่านรูบ่อยที่แก็่้อง ว่ามันดีน่นคือว่าท่านมองแต่ลบเนี่ยแล้วท่านก็สุ้แยกกับตัวเองแต่ถ้าเรามองบวกบ้างมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะมีความรู้สึก ด, ดีขึ้นสุขขึ้นแล้วมันก็ธรรมดาเนี่ยที่คนเราเนี่ยไม่มีทางที่ทำให้ทุกอย่างเกิดเส็จร้อเปอร์เซ็นเวลาเราสอบเนี่ยถ้าเราสอบได้เ 90, ก90้าสเก้าสิปอร์เ็ก็เก่งนะนะ สอบได้ 80% ไม่ เ, เก่งมันกายเปนแต่ว่าเราสอบเราตอบผิดไป20ข้อหรือตอบผิดไป10ข้อมันมีใครที่สอบได้ 100% ดน้เวลาเวลาเราทำงานเรามองบวกบ้างมองบวกนะ อ, อีกความหมายมังคือมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบนะ้างเช่นความวิจารณ์คําตำหนิทำงานก็มี ความวิจารมีความทักท้วง ม, มีความตำหนิและทุกคนเนี่ยเราหลายคนเขก็จะมองว่ามันไม่ดีสมัยนี้ น, นะไม่ใช่แค่คามทักท้วงกวามวิจารนะแค่ไปกดไลค์กระทุกนะหำไมเหตุที่แค่ไปกดไลค์กระทุกนามเพื่อนหรือูปเพื่อนนะพอโพสต์ขึ้นไปแล้วเพื่อน น, น, น, นี่ยังไปกดไลค์นยแกโคไอแกแกไปแกไลค์ไปหาเพื่อนเลยไอกดไลค์ให้หน่อย ไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่ก็มีนะเมื่อเริ่มนี่ก็มีคนมาบวชกามมาับธระมะแกก็ชอบโพสธรรมนะแล้วก็มีความสุขเวลามีคนกดไลค์สี่ร้อยไลค์สาม้อยไลค์มีความสุขแต่บ่อยครั้งเนี่ยพอแกโพสไปแล้วเนี่ยไอ้นคนที่เคยกดไลค์ไม่กดเนี่ยแกทุกข์นะแกคิดไปว่าเนี่ยที่เขาโกวธเราหรือเปล่าเขาไม่พอใจไรหรือเปล่า แต่ท่างไรรู้ไหมกก็จะขอไปเรื่อยๆเิเียงถามคนล่านั้นนะว่าเพื่อดูว่าไม่พอใจอะไรคนไหแล้วคนที่เขาไม่กดไลค์เนี่ย น, นะมันไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ไมมันมีเป็นยี่สิบสาสิบคนหรือบางทีห้าสิบคนแล้วถ้าไปเรื่อยๆเรืเเถามถ้ห้าสิบคนเนี่ยม้องอะไรนะแล้วระหว่าที่เรื่อยๆเคงเคียงถามก็ทุกเนะอันนี้เือทุกขอความคิดแต่ที่ไ้นสมัยเนี่ย แต่ว่าแต่ท้วงแต่ว่าแต่วิจารเน่ยแค่ไม่กดลายไม่ชมเนี่ยก็ท้วงกันแล้นเพราะนี่จริงๆแล้วเนียถ้าเรามองว่าไอ้ความวิจารณเนี่ยมันก็มีประโยชน์นอันนี้ต้องอาศัยการมองบวกคุณเล็กวิเรียมพันธเนี่ยมอดีผู้ก่อตั้งวิริยะประกันภัยแล้วก็ผู้สร้า ง, งโราณทีเ่เคยพูดไว้คุณเล็กนี่ต้องเขาา้าใจแกเป็นคนที่รวยมากสมัย 560ปีก่อนนี้แกคิดรวเป็นระดับต้นต้นของประเทศถึงสร้างเมืองโบราณได้แต่เคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตํางหนีวันนั้นเป็นอภิมงคลแปลว่าวันนันถูกต้อหนีนั้นเป็นมงคลนะหลายคนที่พอถูกต้องหนีวันนั้นสวยแล้วแต่แกว่าว่าเป็นมงคลเพราะว่าคําต้อหนีมันทำให้แกรู้ว่าแกมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ปกติก็มีแต่คนชมมีแต่คนอาจจะถึงขั้นกระตกแจ้งะอาจจะคิดว่าถขันจะคิดว่าตัวเอเป็นเทวดาไปนะเห็ให้ได้แต่พอมีคนมาตาหนิเนี่ยก็ทาให้รู้สึกว่าตัวเอเป็นผู้เป็นคนต่างนซึ่งมันดีนะเพราะมันทำให้เรารู้จักของตัวรู้จักมองหาข้อผิดลาดเพราะถ้าเราถ้าเราเป็นเทวดาเราก็จะอาจจะหลงตัวหุดตัคนที่อยู่ในสถานะแบบ เล็กเนี่ยนะก็มัจะมีคนพ่อยอมเพราะเป็นคนรวยเป็นเจ้านายเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นคนตำแหน่งเนี่ยถือเป็นข้อดีอย่งน้นก็ชวยลดอัตาลดอีโคที่ทํากองเพลงนะถ้วัดทํากองเพลงเนี่ยสมยัยหลวกูคานะอนโยมีแม่ชีคนหนึ่งนะชื่อแม่ชีสาแม่ชีสาเนี่ยผู้ประทับพรนเนยดีมาก แล้วก็ปฏิบัติดีด้วยจนหลวงปู่ขาวก็ชมแต่วันนึงเนี่ยหลวู่ข้าเนี่ยสั่งพะสองูปลูกสิบท่านสั่งทำมาให้ไปดา่าไม่ชิดสายทั้งสองลูปเนี่ยคงจะงงนะแต่ละาูบาอาจาสั่งก็ทำไปแล้วที่ปุตติไม่ชิษสายเรียกไปชิดสามาแล้วก็ดา่าัดกันด่านเพราะว่าไม่งั้นลึกไม่ออกเพิ่งแค่ิดสายเนี่ยนะ แต่ก็ไม่เคยอยากจะให้น่าจะดา่าอยู่นะให้ทิกสาเสียก็มงสักพักก็ได้สติดแกก็นั่งข้างบนมือฟังอย่างสมบทั้สงสองทนเนี่ยด่าจนที่จะดา่ายังไงนะก็จบก็หยุดให้ทิาแทนที่จะโปรดนะแต่ที่จะน้อยใจครูบาอาจารย์เนี่ยทำไมถึงด่าเราเราสารความความดีเราสาขยันนังเรียนทาไมท่านยังว่าเรา แล้วถ้าสมมติเขรู้ป่าครูบาอาจาย์มาจากมุตติมีเราจะน่าไปสุข์ว่าทิ่ไหมถ้าที่แบบนี้นี่ทุกเลยนะต้องโกรธทั้งน้อยใจคนที่หลายคนเนี่ยก็ทุกแบบนี้น้อยใจว่าทําไมเราคูบาอาจารยหรือพ่อแม่นม่นความดีของเราเจ้านายเห็นความดีของเราแต่ไม่คิดสาไม่คิดแบบนี้ในศิษยาพูดขึ้นว่าสารจาร ตูด่าว่ากล่าวจบแล้วเลยดิฉันฟังแล้วสาบซึ้งใจจนเกินเสียงด่าที่เป็นเสียงคำรร ม, มากเทงานั้นเลยคราวหน้าที่มันมาด่าใหม่นะกิเลสเรียดหมดสักทีอันนี้เรามองโบ่นะคือมองเห็นว่าคําด่าเนี่ยมันมาช่วยขูดกิเลสช่วยลดละมานณาทิฏฐิถ้าเรามองโบ น, น, นี่นะคําด่ามีประโยชน์ อย่าว่าแต่คาตําหนิหรือคำทักท้วงเลยแต่เราอาจจะทําแจไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ไม่น้อยที่เรามองว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างความล้มเหลวมีข้อดีอยังไงบ้างความผิดพลาดเนี่ยที่เราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างมีคนพูดให้ดีนะความผิดพลาดมีสองอย่างนะคือความผิดพลาดที่ทําให้เรา รู้ว่าควรจะแก้ไขยังไงให้ถูกกับสองความผิดพลาดที่เราไม่ได้รยรู้อะไรเลยไอ้ความผิดพลาดที่แย่หรือความผิดพลาดแย่ไปไหนคนเราจะเลยรู้แด้คนเราจะฉลาดได้กเพราะเราเจอความผิดพลาดเราเจอความล้มเหลวนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กทาเราเราเดินไม่ได้เราอยู่ไม่เป็นแต่ทําไมเราถึงเดินได้ทำไมเราอยู่เป็นนะ เพราะว่าเราไม่กลัวกวามล้มเหลวเราเดืนแล้วเราล้มเราก็ไม่แพ้เราไม่อยอมแพยแล้วก็พยายามดืนใหม่จนยืนได้เร า, า, ด า, ดาเดินก้าวสองก้าเราล้มเราก็ไม่ท้อเราก็พยายามดืนใหม่พยายามลุกขึ้นมาและการที่เราล้มไปก่อนมันทำให้เรารู้ว่าจะทรงตัวอย่างไรจะเดินอย่างไรที่จะถูกต้อง ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเท่านั้นเราเรียนรู้จากความล้มเหลวเท้านั้นโตขึ้นมาเราว่ายน้ําเราขี่จักรยามแล้วก็สํำรักน้ําเราก็ล้มแต่เราก็เรียนรู้จากการที่ล้อมเหลวก่อยจนกระทั่งเราขิ่จักรยามให้เป็นเราสํารักน้ําอยู่หลายครั้งจนทั่งเรารู้ว่าเราจะประคองตัวบนน้ําได้อย่างไรจนว่ายน้ำเนมนุษย์เราเรียนรู้จักความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จ หันถ้าเรามองบวกกับนี้บ้างก็ความรุ่นเหลวเนี่ยมันสอนเรามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขการทำงานเราจะต้อนรับเราจะอ้าแขนรับความรุ่นเหลวเราจะอ้าแขนรับวามผิดพลาดเพราะตัวเราไม่ติครูเพราะตัวมันทำให้เราเข้มแข็งเพียงแค่เราไม่กลัวความรุ่เหลวนี่นะแค่นี้ก็เป็นประโยชน์ของความรุ่เหลว บางคนเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กนะเด็กความเป็นเด็กก็เรียนเก่งนะไม่เคยไม่เคยสอบตกเดียว่าจะสอบตกเลยนะติดหนึ่งในห้าตลอดอันดัก ต, ต้นๆ ต, ต้องการสอบเข้าคณะไหนก็สอบได้สําเร็จตลอดมีนักดนตรีคนหนึ่งที่ก็เป็นแบบนี้ขเขาสำเร็จตลอดนะในวัยเด็กในวัยเยีว์ เราก็จบมานะก็จะทำธุรกิจเนี่ยก็จะกลัวล้มเหลวมากก็ังทําแต่ธุรกิจที่เขาชัวร์ว่าสําเร็จใครทาอะไรใหม่เขาไม่กล้าทํากลัวล้มเหลวเพราะเขาสำเร็จกันตลอดเขาเลยทำธุรกิจที่มันชัวร์เพลสเซแล้วมัธุรกิจที่เขาคิดว่าเราเขาชัวร์มากที่สุดนะเพราะว่ามันเจ่ม เขาเสียความรู้สึกมากเสียสูญรู้สึกมันก็ว่าแย่ แ, แต่พาไปสัมม่งน้ำเพบว่าโลกก็ไม่ฉลบมฟ้าก็ไม่ฉลายคนรอบข้างเขาก็ไม่สนใจเพราะในวงานาการธุรกิจความรุมงเรืองเป็นธรรมด า, าก็เริพบ ว, ว่าความรุ่ง เ, เรือไม่ได้น่ากลัวกที่คิดถึงรอบไป น, นั้นมาเนี่ยเขาทํางานสนุกแล้วเพราะเขากล้าที่จะไปทําอะไร ที่มันาจจะเสี่ยงบ้างแต่มันสแต่ว่ า, วามันท้าทายแจะขอไม่กล้าทาเลยและสิ่งที่เขาทาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นงานที่ไม่เสี่ยงในความขอคเาเก็เลยนม่กลัวแต่พอเขาลองกล้าที่ทําอะไรให ม, ใหม่ๆบ้างเขามีความสุขมากขึ้นและที่เขากลา้าเพราะเขาไม่กลัวลลลความลุมเหลวแตะที่เขาไม่กลัวความลุมเหลวเพรารู้ว่าความลุมเหลวมันไม่ได้เลวรายเท่าที่เขาคิดไอค้คนที่เคยลุมเหลวนี่นะ ไม่ไม่รูห้หรอกว่าความล้มเหลวมลันไม่ได้ขนาดนั้นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆจะกลัวความล้มเหลวมาแต่ลองล้มเหลวสักครั้งจะพบว่ามันไม่ได้เลยไรขนาดนั้นและมันทำให้กล้าสี่มากคือเราทำก้าเสี่ยเนี่ยที่ทําให้โการมีความสุขเพราะเราต้องกล้าที่จะทำอะไรที่แปลกใหม่ที่ท้าทายที่ตรงสเปกเราตัวเองประการที่สามนะฮะปล่อยวางนะ ปล่อยวางสำคัญกันนะทํา ง, งานเนี่ยถ้าเราไม่ไ้จับปล่อยวางเนี่ยเราจะเครียดงา่ายที่จริงเนี่ยเราผู้มาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องการปล่อยว า, ทางทํางานเวลาทํางานเนี่ยก็ให้วางเรื่องลูกเวลากลับบ้านอยู่กับรูกก็ให้วางเรื่องงานเวลาพักก็วางเรื่องงานจะได้มีกําลังนะก็ได้พักเต็มเต็มที่ได้มาเปพียงพอ ทำงนานก็ทํางานแต่มีความสุขที่ระวางเรื่องอนาคตจุดหมายปลายทางมันเป็นยังไงวางไว้ก่อนทําสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดงานจะทาอีกชิ้นก็วางไว้ก่อนแต่วางปล่อยวางอันนีปล่อยวางควาสมสําเร็จหรปล่อยวางผลของงานอาจารย์พุทธาเนี่ยตอนที่ ส่วนรลวงเริ่มจะตั้งหลักปักฐานได้ก็เริ่มมีการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆหลา ย, ลายอาคารเช่นบมอักดิัทางวินยาและต่อมาก็สร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวาสำหรับเก็บน้ำฝนอาคารแต่ละหลังใช้เวลานานเพราะใช้กำลังของร้างแสเด่นเป็นปีๆนะ มีคราวหนึงเนี่ยลูกศิษย์มามาเยี่ยมหลวงหลวงพ่อพทุทธาสแล้วก็ถามว่าไอ้ธรรมนาวาหุเรือเนี่ยเสร็จหรือยังที่ถานเจ้าลิงพ่ามเมื่อครับสามสี่เดือนก่อนเนี่ยมาเห็นธรรมดาวาเนี่ยยังสร้างได้แค่ขึ้นเดือนแล้วก็ผ่านแล้วก็เป็นเวลานานกว่าจะสร้างได้ขึ้นเดือนก็ถามว่าสร้างไปถึงไหนนะอาจารย์ผู้ถามว่าเสร็จแล้ว แกก็ดีใจแต่แแเรื่องก็แปลกใจเรื่องทีเสร็จแล้วถ้ามันเร็วเนี่ยไปดูป ร, รากว่าธรรมดาวาหรือเรือก็ยังสร้างไปได้ไม่ถึงไหนก็เลยเอกใจแปลกใจกทําไมหลวงพ่อพุท่าบบอกว่าเสร็จแล้วกลับมาถามท่านว่าทําไมหลวงพว่าเสร็จแล้วแล้วทำไมท่านอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วมันยังสร้างไปงมไม่ถึงไหนอาจารย์เล่อบอกว่า เสร็จสเสร็จทุกเสร็จแล้วเสร็จทุกวันวันนี้ก็เสร็จพรุ่ง น, นี้ก็เสร็จมาลุนี้ก็เสร็จท่านพูดว่ดเพราะอะไรเพราะเวลาท่านทําอะไรเนี่ยนะได้แค่ไหนท่านก็พอใจแค่นั้นหมายถึงว่าสร้างวันนี้เนี่ยไปได้แค่ไหนเนี่ยท่านก็พ อ, พอถึงเรลพักท่านก็วางถ้ามีแต่ความสบายใจ ไม่ว่างานมันจะไปถึงไหนก็สบายใจเป็นความรู้สึกขงคนที่เหมือนกับ ว, ว่าทำเสร็จแล้วงานไม่ยังคาอยู่นะแต่ว่าใจท่านสบายเพราะท่านวางพรุ่งนี้ค่อยไปว่ากันใหม่อาตมาว่าคนเราใน้ถ้าเราทำงานเนะก็เราจมีงานมากนะแต่ถ้ารู้จักวางนะมันไม่เครียดมันไม่เครียด มันเป็นการวางที่ใจครและบางครั้งเนี่ยนะตัวยังทำํำนะแต่ใจไม่วางบาที่เราเชื่อปล่อยวางนี่ปฏิการิยาไม่ทำอะไรที่จริงไม่ใช่ปล่อยวางเป็นเรื่องการทําจิตเพื่อสมาบุรุษมึงนะเป็นนักบวชจะไม่ชารบริการแต่ว่าไปบวชในลัทธิเซน ่จะเป็นวิจัยในพุทธศาสนา้าจาก็เล่าถึงอาจารย์ท่านเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อชุนเวสุสกิชุนเวสุกิเนี่ยเป็นพระที่เป็นนักบวชที่มีชื่อมากโืยพ่อในอเมริกาเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาเมื่อ60กว่าปีที่แล้ว ตอนที่อาจชุยเชียวเนี่ยสร้างว่าเส็จที่สามพสโกนแข่งแรกในประเทศอาจารย์ชนเลวก็หกสุดกว่าแล้วคนญี่ปุ่นสมัยนั้นวเล็กแต่ตอนที่สร้างวัดเนี่ยท่านต้องลงมือแบบหินแบบอีกไม่ได้ก้างใค่แต่โชคดีมีลูกศิษย์เยอะที่ิเป็นชาวอเมริกรันวัยประมาณสิบเก้ายี่สิบนุนสา คนี้ซึ่งต่อไปเป็นเป็นพวกที่ตามาสนใจพวกอินเดียญี่ปุ่นอันนี้ร่วมสมัยกับพิเทอร์นะซึ่งต่อหลังก็ไปอินเดียทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มาช่วยท่านสาร้างแบกหินแบกปูนแบกไม้ลูกสิทธ์ทำไปได้แค่ครึ่งวันเหนื่อยหมดแรงส่วนอาจารย์นี่ยังทำต่อ้วก็ทำทั้งวัน รู้สึกที่งงมากอาจารย์อายุมาก60กว่าตัวก็เล็กพวกเขามี่เหมือนสาวฝรั่งตัวใหญ่19ปี20สงสัยเลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทํา อ, อาจารย์ทำได้ทั้งวันท่านตอบวันท่านบอกว่าก็มาาผมพักตลอดเวลาอาะจ่ายนะฮะแต่รู้สึกอาจารย์ไม่ประจ่าจก็อาจารย์ทำ ง, งาน อาจารย์ทำ ง, งานก็จริงตัวทํทา ง, งานแต่ใจพักใจไม่ได้แดกใจไม่ได้แดกอะไรไปด้วยตัวนี่แดกหินแดบกบไม้แต่ใจไม่ได้แดบกบอะไรเล ย, ยใจก็คป็นแรับรู้กายว่ากําลังทําอะไรไม่ได้ไปแดกว่าไม่ได้เป็นแดกความคาดหวังไม่ได้ไปแกไไดปแกอารมณว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จร่างกายหมือก็ไม่ได้แดก ความเหนื่อยของกายกายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยาจาจรย์ทิงบอกว่าพักกลอดเวลาก็กลายเป็นว่าทำงานได้มากกว่าและเป็นสุขมากกว่าด้วยพ้ออาจารย์จะปล่อยวางการปล่อยวางจำเป็นนะฮะถ้าเราทำเป็นนะอัตมาเพิ่งปราบกับภูฐานนะ พูทธานี่น ะ, ะน่าสนใจหลายอย่า ง, างคนที่ด้านเนี่ยเ็าเป็นคนที่ศรัทธาในศาสนาแล้วก็เป็นคนที่มีเด้ตาตูนาสูงมากมีประหลัดกระทรวงคนหนึ่งเนี่ยได้เล่าถึงยายของเขาเราเล่าตอนที่เขาเป็นเด็กวิยุสิบวเนี่ยนะ มันมีหนูเนี่ยชอบมาอารวามากัดกินข้าวโพดมากัดกินพวกกระสอบมากัดกระสอบแทะกระสอบที่เขาเก็บข้าวเด็ววกคนนี้ก็ล้องโวยวายบอกยายยายก็เฉยเฉยแต่ที่จริงเนี่ยยายก็ไม่ได้นิ่งอยู่ได้ดนะวันรุ่ขึ้นยายก็เริ่มทำกับดัก คำถากมก็ง่ายๆนะเป็นไม้เป็นไม้แผ่นแล้วประมาณขนาดเนี้ยวางไว้บนพื้นแล้วก็มีข้าเหนียวเอาบิดข้าวถ้าเป็นข้าปั้นเนี่ยล่อให้อยู่มากิงแล้วก็เหนือไม้แผ่นนั้นก็เป็นหม้อที่ถูกจับที่ถูกค้าด้วยไม้สี่ไม้วิธีการคือว่าถ้าหนูมันเนี้ยมัมากินอาหารเนี่ยมันอาจจะมา แต่หรือแกบนสีไม้พอสีไม้มันมเคลื่อนเนี่ยหม้อเนี่ยก็จะตกลงดาครอบหนูอไว้วิธีง่ายๆ ย, ยายทำกับกัเสร็จยาก็ทำโน่นทำนี่ไปตอนเช้าๆเนี่ยนะขณะที่ยายทำอาหารทำตัวไอ้หนูมัก็จะมากินแล้วก็กินได้ทุกครั้งนะมันก็มากินข้าว ไ, ได้ทุกครั้ง ผ่านไปสองหนึ่งอาทิตย์ก็ยังจับหนูไม่ได้เด็กก็เริ่ ม, มวุ่วายยายก็เสฉยๆ ส, สองอาทิตย์ผ่านไปก็ยังจับหนูไม่ได้ยายก็ยังเสฉยๆก็ยังทำนนทำ น, นี่ไปยายไม่มีอาการอนาถร้อนใจที่จับหนูไม่ได้จนถ่งผ่านไปที่ทสามเนี่ยหนูมันพลาดกับต่างหนูก็ทำงานนะมาเป็นมาป็แตะถูกถูกไม้ซีไม้ที่ยันที่ค้ามไป หม้อไว้ม้อก็ตกมอมาคล้องอเด็กก็ดีใจนะแต่ยาก็เสียสูญยาก็ทาโน่นทานี่ไปเด็กก็ปกใจทำไมยาไม่ดีใจเด็กนี่มันไปวิ่งร้องตะโกนออกไปนะทั่วหมู่บ้านแล้วจับหนูได้แล้วก็รอมาสามวันทีนะ่ยาทำงานเสร็จยายก็เริ่มห่ อ, หอข้าว เพื่ออะไรนะเพื่อเอาหนูเพื่อจัดการหนูตัวเนี้แกก็เอาไม้เนนะี่ยกลับตางหนูทูให้เป็นหัวหูอยู่ข้างในแล้วก็เดินเข้าไปในป่าสองชั่วโมงนะเดินถึงต้นโอ๊ที่มีผลไม้ปกปุมไม้เนี่ยมีกระรอกมากัดกินผลไม้มากมายตรงนั้นแหลที่ยายเนี่ยปล่อยหนู การที่จะฆ่าหนูนะยายเานี่ยเอาไปปล่อยตรงที่ที่มันจะมีอาหารมีต้นฉบุแต่เรื่องนี้มันไม่สะท้อนถึงความเมตตาของยายแต่มันซ่อนถึงการปล่อยวางของยายด้วยยายปล่อยวางควบคู่กับการทํา ก, ก, กับการทํางานแก้ปัญหาการจับหนูต้เหมือนกับการทํางาน ระหว่าที่จับหนูไม่ได้ก็เหมือนว่างานยังไม่เสร็จหรืองานยังไม่สําเร็จยายก็ไม่ได้อนาทรอ้อนใจอะยายก็ทํางานอยู่ต่อไปไม่ได้อ้อนใจมันก็เด็กนั้นที่ว่าโมแ่แรงมันจะจับได้สักทีระวงที่งานไม่สําเร็จงานยีงไม่เสร็จนะยายก็ไม่ทุกข์ถ้างานสําเร็จจับหนูได้ยายก็ไม่จจ ด, ดยยมีใจนะยายก็ทําอะไรไปเรื่อย แถมจับได้แทนที่จะจับหนูได้แทนที่จะพ่าหรือฆาเชีย่ยวปิ้งหนูนะก็เอาไปปล่อยอันนี้มันซ่อมค่าทีการทางานที่มันเกียวกับคนคนปัจจุบันได้ไม่น้อยก็คือว่าขณะที่ทํางานงานยังไม่เสร็จก็ไม่ร้อนรนไม่ยิตกก็ทําไปเรื่อยๆหรือคอยไปเรื่อยๆ เ, เสร็จแล้วก็ไม่ดีจใจอาจารย์ผู้ท่านบอกว่ า, วาเมื่อทํางานเสร็จยกผลให้เป็นของความว่า ก็คือว่าจะเป็นย่ว่เป็นงานของเราสิ่งที่ยายทํานี่ยคือไม่ยึดติดในผลสำเร็จมันนี้ไม่สำเร็จก็ไม่คุกสำเร็จแล้วก็ไม่ดีใจแต่ทำหน้าที่นยะได้เสร็จแล้วเอไปปล่อยคือปล่อยเป็นการปล่อยวางอย่างนั้นะคุณจ้าจับว่าผลแห่งความดี ย่อมเป็นทีแ่แจกผู้ที่ย่อมเป็นทีแ่แจกผู้ที่ไม่พิจารณาหมายความว่าเวลาทําความดีหรือทำสำเร็จเนี่ยมันได้ผลตามมาเช่นชื่อเสียงเป็นติโชติเราก็อยากหลงใหลได้เพลินก็หมักพิจารณาว่าเออผู้ที่มันไม่เที่ยงนะจะไปยึดมั่ถูกมั่นต่นนนตอไปอันนี้ก็เป็นเรื่องการปล่อยวางที่สําคัญ หลายครั้งเนี่ยเวลาทำ ง, งานจะไปยึมันถึงแม่ทำงานยิดมันถึงไม่ใ น, น, น, น, นคนทำ ง, งานหลายคนรู้สึกว่าทำ ง, งานล้มเหลวคือตัวล้มเหงลวด้วยตัวฉันล้มเหลวด้วยหลวพ่อพอรตามาเนทํ า, ทา ง, งานเยอะนะทา ง, งานพัฒนานอยู่บ้านช่วยเหลือคนอยากจนจนชวนให้ชาวบ้านเนี่ยเลิกการปลกรรูกมันมาทเกษตรสมสาแต่ทำไม่ค่อยสำเร็จมีคนถามท่านเรื่องนี้ท่านบอกว่างานท่านล้มเหลว แต่ตัวอาตมาไม่ล้มเหลงานกับตัวท่านนี่มันแยกกันแต่ละคนเนี่ยไปยึดว่า ง, งานคือเราเป็นงานเป็นเราเป็นของเราพองงานล้มเหลวก็มือฉันล้มเหลวของานสําเร็จก็ฟูขึ้นมาฟูเก่งฟูนแน่อันนี้มันเป็นภาพทีท่ที่นำไปสู่ความต้อนการทำ ง, งานได้ากแต่ถ้ารู้จั ก, กวางลองที่ทํางานก็วางนะ งานเสร็จก็ ว, วางอย่ากที่คุณดาให้ทำมาช่วยทำให้เราทงานมีความสุขแต่พออย่างเนี่ยที่จะมาพูดม า, มาตั้งแต่เริ่มต้นคือการมีเวลาเริ่มต้นในกาทำงานก็มีคุณค่าเป็นคุณค่าของงานที่เราทำวางใจให้เป็นและพาเราทำงานลงมือทำงานแล้วก็ใจอยู่กบปัจจุบันอย่าเพิ่มไปสนใจเป้าหมายหรืออะไรรู้จักมองบูก นะเห็นประโยชน์ของสิ่ที่มาสิ่ที่เกิดขึ้นน่าจะไม่ได้หมุนความใจก็หาประโยชน์บทเรียนจากมันรวมถ้ารู้จักมองสิ่งดีๆที่มันอยู่เคียงข้างสิ่ที่ไม่ดีเป็นความความผิดพลาความล้มเหลวด้วยและสุดท้ายกกรู้ักปล่อยวางปล่อยวาเป็นการทําจิตส่วนการทํากิตเนี่ยต้องทําต่อไปทํากิตและทําจิตไปคู่กันท่าอาจารย์ผูท่านบอกว่ า, วาการทำมาคืการปฏิบัติธรรม อาจารย์พูดต่อไปว่าต้องทํางานควรทำงานทุกชดเพื่อจิตว่างสิ่งที่คุณยายคนนั้นทนําก็คือทํางานเพื่อจิตวาง น, นันแหลคุณได้ใจที่ปล่อยวางงานก็สําเร็จนะคนทำงานก็เป็นสุขอาจารย์ก็ใช้เวลาพอสมควรนะีะผมจะขอพิธีการบรรยายเพื่อเสนอขอ ที่องไปแล้วครับสำหรับการบรรยายธรรมเลย้อควาออมสุขในการทางานโดยทั้งหัวหน้าครับทีิจ่ายไษสารสาลโดยนะครับ